เรื่องที่สิบเอ็ดเรื่องเสริมที่หนึ่งสุดต่งจึงเข้มแข็งพอจะถูกทางก็ไม่มีแรงตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวิกะเมื่อค่ำวันที่ห้ากรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดผมอยากเรียนถามพระเดชพระคุณท่านว่า ถ้าโลกเราหรือว่าสังคมเราเนี่ยปฏิบัติธรรมนอย่ายงถูกต้องแล้วเนี่ยครับโลกในณนะจุดจุดนั้นเนี่ยตัวผมเองก็จินตนาการไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงก็อยากจะเรียนถามพระเดชพระคุณท่านว่ามันมันจะเป็นไปได้ไหมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วจะเป็นยังไงครับอ๋อเรื่องเก่าเรื่องที่ว่าพระเดชพระคุณท่านบอกว่าจะเล่าให้อ๋อถ้ามีเวลา แต่เรื่องนี้ที่จริงเป็นเรื่องยาวมากไม่ใช่ง่ายๆหรอกอาจจะพูดคุยก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยๆประมวลทีหลังจะได้แค่ไหนก็ค่อยว่ากันไปคือวันนั้นได้พูดถึงหลักการใหญ่ที่ว่าพุทธศาสนาจะตอบลงไปแบบที่ ลัทธิทฤษฎี ต, ต่างๆทั่วไปตอบกันคงจะไม่เหมือนแน่เพราะว่าลัทธิต่างๆเนี่ยมักจะมองมนุษย์มองธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างเดียวแล้วก็มองสิ่งที่เรียกว่าสังคมอุดมคติก็เป็นอย่างเดียววันนั้นถึงได้บอกว่าในแง่ของพุทธศาสนาแล้วไม่มีอย่างนั้น เราอาจจะพูดได้ว่าเป็นเรื่องของสังคมแบบที่อาจจะใช้คําว่าหลากหลายในความเป็นหนึ่งซึ่งก็มีผู้ใช้เหมือนกันแต่มันก็มีความหมายไม่เหมือนกันอยู่ดีเพราะหลากหลายในที่นี้หมายถึงว่าความแตกต่างของมนุษย์นี่ที่เราเน้นก็คือการพัฒนาหรือจะเรียกว่าการฝึกตนก็ได้อันเนี้ย ก็เป็นข้อที่ทำให้กว้างขวางมากอย่างที่เคยพูดว่าลทัทธิทฤษฎีต่างๆเนี่ยมักจะมองคนเป็นอย่างเดียวและสังคมเป็นแบบเดียวเขาก็จะตั้งแนวคิดเรื่องสังคมอุดมคติขึ้นมาอย่างสังคมคอมมิวนิสต์ก็เหมือนกับเป็นอย่างนั้นแหะคนทุกคนเหมือนกับอยู่ในแบบหนึ่งที่มีแนวคิดตายตัว เชื่อว่าให้คนเสมอกันเสมอกันก็อาจจะเน้นเศรษฐกิจแล้วก็ทันลึกลงไปก็เขาอาจจะไม่ได้ไปพิจารณามากนักในเรื่องธรรมชาติมนุษย์ก็เหมือนกับว่าธรรมชาติมนุษย์นั้นมันจัดให้คนได้ลงเป็นอย่างเดียวกันได้เลยหรืออย่างสังคมแบบทุนนิยมเสรีก็จะตรงข้าม ม, มองว่าคนมีความปรารถนาต้องการไม่มีที่สิ้นสุดกลายๆอย่างนั้นเป็นธรรมชาติแบบเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นก็จัดสังคมที่ให้บุคคลเนี่ยได้สนองความต้องการของตัวเองได้เต็มที่เท่าที่จะเป็นไปได้ให้มีเสรีภาพแต่ว่าในการสนองความต้องการของตนก็ไม่ให้ไปละเมิดคนอื่น ก็ไปจำกัดเสรีภาพไปแค่ไม่ให้ละเมิดคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเรามองดูพุทธศาสนาง่ายๆแบบอย่างไม่ซับซ้อนก็จะเห็นว่าเราไม่ได้มองเฉพาะว่ามนุษย์มีความต้องการเหมือนกระตายตัวอย่างนี้แล้วก็ไปจัดเขานอกเอาให้มาสนองธรรมชาติของมนุษย์อันนี้ แต่เรามองว่านอกจากคุณปรับข้างนอกแล้วคุณต้องปรับข้างในด้วยแล้วโดยเฉพาะการปรับในตัวมนุษย์ด้วยพัฒนามนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งเราถือว่าความต้องการของมนุษย์นั้นพัฒนาได้ก็อย่างรัฐที่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็ถือว่าความต้องการของมนุษย์ไม่มีดที่ส้นสุดความต้องการแับนั้นถืกว่าตัณหาก็ถูกนัตถิตหาสมาณที ค <S ess ant> วามต้องการแบบตันหาไม่มีที่สิส้นสบอกว่าแม่น้ําเสมอที่ตันหาไม่มีแม่น้ํายังรู้จักเต็มแต่วความเต็มอิ่มของตันหาของมนุษย์ไม่มีแต่นั้นก็เป็นความต้องการแบบหนึ่งเท่านั้นมันยังมีความต้องการยังอื่นอีกอย่างน้อยถ้าก็แบ่งเป็นความต้องการที่เป็นกุศลและความต้องการที่เป็นอกุศลมนุษย์จะต้องพัฒนาความต้องการจากอากุศลมาเป็นกุศล เลือพัฒนาความต้องการด้านกุศลให้มากขึ้นให้มาดุลกับความต้องการฝ่ายกุศลเป็นอย่างน้อยแล้อันนี้มันก็โยกไปหาการจัดสังคมภายนอกเพื่อจะให้คนเนี่ยมีโอกาสหรืออย่างน้อยก็ไปสนับสนุนส่งเสริมให้คนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงว่าทำไงจะได้ตามต้องการมากที่สุดแต่ว่ามาพัฒนาความต้องการก็ตัวเองจัดปรับความต้องการ ซึ่งเป็นการจัดสังคมข้างนอกให้สอดคล้องกับการพัฒนามนุษย์คข้างในนี้นั่นมันก็เป็นระบบที่จะเรียกว่าซับซ้อนก็ได้ก็อย่างที่เคยบอกว่าพุทธสอนนะยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ว่าในขณะหนึ่งขณะเดียวนั้นคนทั้งหลายเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันหมดแตกต่างกัน ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือแตกต่างในระดับการพัฒนาความแตกต่างอื่นนั้นเป็นส่วนประกอบเป็นความแตกต่างของคนในระดับการพัฒนาเดียวกันอย่างที่พระพุทธเจ้ามียาลอย่างนอสองอย่างที่เคยพูดความแตกต่างแนวตั้งกับแนวนอนความแตกต่างแนวนอนนี่ก็เป็นเรื่องประกอบไปแม้แต่คนพัฒนาระดับเดียวกันก็มีความแตกต่าง แต่ว่าความแตกต่างแนวตั้งในระดับการพัฒนาเนี่ยที่เป็นสําคัญเราก็ยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ตามที่เขาเป็นแต่ก็ขอไม่ให้เขาหยุดอยู่ที่จุดที่เขายืดอยู่นั้นยอมรับเขตาตามที่เป็นแต่ไม่ยอมให้เขาหยุดอยู่แค่ที่เป็นนั่นก็อย่างเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นจุดที่ต่างออกไปก็คือต้องพัฒนามนุษย์ ถ้าไปมองแบบว่าให้สังคมจัดให้คนเสมอกันโดยมีแนวคิดเป็นอย่างเดียวเนี่ยในสังคมเวลาหนึ่งเนี่ยให้คนเป็นเหมือนกันหมดอย่างที่เคยยกตัวอย่างอย่างสังคมของคองมมูนิตที่ท่านเหมาเจ๋อตงจะให้คนผู้ชายผู้หญิงทุกคนนุ่งห่มเหมือนๆกันเป็นอยู่เหมือนมือนกันรวยเท่ากันหรืออะไรทานองเนี่ยนะ ก็ความต้องการของคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วความสุขการสนองความต้องการความพอใจอะไรมันก็ไม่เหมือนกันมันก็ไปไม่รอดเหมือนก็ไปเก็บกดในที่สุดระเบิดจีนแดงตอนนี้พอออกจากระบบเก่านั่นมาก็ไปกันยกใหญ่เลยแต่งตัวแต่งตัอกันไปยิ่งกับพวกทุนนิยมที่มาเรื่อยๆสกเนี่ยคือมันไม่ได้มีการพัฒนามนุษย์ ในเนื้อตัวที่แท้โดยเฉพาะด้านจิตใจของเขาเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนนิทานโบราณเรื่องเปรตเปรตที่อยากให้คนเท่ากันเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแล้วคือว่ามีศาลาพักคนเดินทางศาลาหนึ่งแล้วมีเปรตอยู่ประจำศาลาเนี่ยแกเป็นคนเจ้าระเบียบ นี่เวลาคนมาพักก็หลายๆคนก็นอนกันไปก็นอนก็หันหัวไปทางโ น, น้นบางหันเท้าไปทางนี้บ้างแล้วสูงๆต่ำๆบ้างอะไรองีเวลาคนหลับเปลตตัวนี้ก็มาจัดคนเอาแล้วจัดมาเรียงกันก็พอได้พอเรียงแล้วทีนี้ก็เออหัวมันไม่เท่ากันะเอาไปดึงข้างหัวมาให้เท่ากันนะก็ดึงข้างหัวจนเสร็จหมดแล้วอา้าวไปมองดูเอ๊ะ เท้ามันไม่เท่ากันก็ไปดึงอีกดึงดึงดึงดึงพอเท้าเท่ากันดีใจพอมามองอีกเอาหัวไม่เท่าอีกแล้วจัดอย่างนี้ทั้งคืนไม่จบนี่ก็จะจัดมนุษย์ให้เหมือนกันให้เท่ากันเลยเนี่ยนี่ว่ามันเท่ากันได้ในการพัฒนาเน้นหลักพุทธศาสนาที่ถือเป็นหลักวัจาริปไตยเหมือนกันก็อย่างหลักสังกาวัตถุ ข้อสุดท้ายก็สมานนัตตาความมีตนเสมอกันก็คือหลักความเสมอภาคนความเสมอภาคนี้ก็ท่านก็จะบอกเสมอกันแบบทั่วไปก็เสมอกันในขั้นที่ต้องการแท้ๆเสมอโดยความหมายที่แท้ก็คือเสมอโดยธรรมใช่าเป็นโสดาบันก็โสดาบันเสมอกัน เป็นสักาขาคามีก็สักทาคามีเสมอกันก็คือเสมอกันโดยการพัฒนาที น, นี้ส่วนเสมอกันอื่นอย่างทั่วไปก็เสมอกันอย่างที่ว่าเสมอกันโดยความที่เป็นพี่น้องอยู่ใต้กฎธรรมชาติเดียวกันเคยแก่เจ็บตายเหมือนกันก็เหมือนอย่างที่เคยพูดว่ามนุษย์ก็อีควอ before the law แต่ในที่นี้เป็นเดอะลอร์ออฟเนเจ ในสังคมปัจชาธิปไตยก็พูดถึงเรื่องมนุษย์เสมอกันแต่ว่าเสมอกันตอนหน้ากฎหมายของรัฐอันนี้ก็คือกฎมนุษย์แต่ของพุทธศาสนาก็คือว่าพื้นฐานมันมีความเสมอกันตามกฎธรรมชาติอยู่แล้วกฎมนุษย์ก็อิงอยู่กับกฎธรรมชาตินั้นเราจัดตั้งกฎมนุษย์ขึ้นมาเพื่อมาเสริมสนอง สนับสนุนกฎธรรมชาติไปในทางที่จะให้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็มีการเสมอกันต่อหน้ากฎหมายด้วยเหมือนกับพระทุโธนก็เสมอกันต่อหน้าวินัยอย่างน้นะอันนี้ก็เป็นสองชั้นแต่ว่าที่แท้ต้องรู้ไว้ว่าเราต้องการความเสมอกันตามกฎธรรมชาติอันนี้มนะ่ะครับอยากทรกอยากทราบวิธีอยา่าง พระพุทธศาสนามีอายุยืนมากกว่า 2,500 ปีแล้วระหว่างนั้นอยากจะทราบ ว, ว่ามียุคไหนที่มีความสุขโดยใช้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเป็นแหล่งจูงใจหรือว่าเป็นที่จูงใจที่ทําให้ประสบความสำเร็จในทางด้านของความสุขไหมครับมันก็พูดยากคือเราไม่ได้ไปเห็นได้ตนเองเนี่ยเราก็พูดได้แต่เรื่องที่จะลึกมาเป็นตำนานบ้างเป็นประวัติศาสตร์บ้างเนี่ย ก็ยุคนั้นก็ได้เน้นกระแต่ในแง่ของความรุ่งเรืองเราก็ไม่ได้ไปเห็นในเรื่องของว่าเขาบรรยายสภาพของจิตใจมนุษย์ความรู้สึกความสุขอะไรอย่างนี้นะอย่างน้อยก็คือเมื่อสังคมมันสงบเรียบร้อยไม่มีการเบียดเบียนกันปราศจากสงครามอยู่กันได้ดีอย่างนี้ก็เป็นพื้นฐานเอื้อสภาพเอื้อให้คนมีความสุขได้ อันนี้ต้องกลรนคันทีหนึ่งหละเพราะถ้าไม่มีสภาพนี้แล้วมันไม่เอื้อที่จะให้มีความสุขแม้แต่ผู้ที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยสภาพอื้อนี้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่ว่าไปสัมผัสคือยิ่งสภาพมันไม่เอือ้อเราก็ยิ่งต้องฝึกตนมากก็นี่แหละแม้แต่สภาพแวดล้อมที่ไม่อำหนวยเราก็ จะตัดสินคนทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าบางคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อลำบากยากแค้นแต่ว่ามีความสุขได้ดีกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าเออก็อยู่ดีนี่อะไรเงี้ยแต่คนนั้นอาจจะทุกข์มากก็ได้นะนี้มันก็วัดกันไม่ได้ก็อยู่ที่ระดับการพัฒนาที่ว่าแต่เอาละโดยทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าขั้นที่หนึ่งต้องมีสภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมสภาพสังคม ที่มันเอื้ออำนวยนั้นท่านจึงถืออันนี้เป็นสาคัญอย่างที่ว่าแม้แต่จะไปจรเลยกรรมาฐานทาจิตภาวนาก็ยังให้มีสัปปายะสัปปายะเจ็ดที่เคยพูดไปแล้วก็ถือว่าสิ่งแวดล้อมสังคมวัตถุเนี่ยซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งภายนอกมีความสําคัญต้องพยายามจัดให้ได้จะเป็นนู่นก็ไม่สาคัญเรื่องวินัยทั้งหมดก็คือการจัดสภาพอื่นเนี่ย แล้ววินัยสําคัญไหมสาคัญสิเพราะว่าเราต้องการให้มนุษย์นพัฒนาไปเข้าถึงธรรมเป็นไปโดยธรรมแต่มนุษย์จะพัฒนาอย่างนั้นได้ยากถ้าสภาพแวดล้อมไม่เ อ, อื้อเราก็ถึงได้มาจัดเอาวินัยมาจัดจัดการดําเนินชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมให้สังคมเป็นสภาพเ อ, อื้ออยู่กันเรียบร้อยได้ ด, ดีมีสามคัคคีเป็นต้นไม่เบียดเบียนกันไม่เดือดร้อนก็สบายใจ แล้วก็สนับสนุนกันด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเรื่องอาหารการรับประทานเป็นต้นพวกธรรมชาติต้นไม้อะไรต่างๆที่มันร่มรื่นสงบเป็นต้นก็เนี่ยทุกอย่างเนี่ยการจัดสรรสิ่งภายนอกเหล่เนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะฉะนั้นขั้นที่หนึ่งเราก็ดูว่าสังคมในยุคนั้นน่ะมีความสงบเรียบร้อยนี่ไหมไม่เบียดเบียนไม่มีสงครามอะไรต่างๆเหล่นี้ ก็ได้ขั้นที่หนึ่งแล้วก็มาดูการพัฒนามนุษย์อันนั้นก็จะได้อีกระดับหนึ่งที่เป็นขั้นที่แท้ที่ให้มนุษย์เนี่ยได้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่เอื้อหรือเกื้อกูล น, นั้นมากขึ้นแล้วได้รับประโยชน์จากการพัฒนาชีวิตขึ้นไปนี่เรื่องของมนุษย์เนี่ยมันก็มีไอ้ปัญหาที่ที่อย่างที่พูดกันวันก่อน คือมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีขันห้าครบบริบูรณ์ที่สุดจะเรียกเขาบริบูรณ์ที่สุดหรือว่าหมายความว่าที่พัฒนาสุดยอดที่สุดในพวกสัตว์ทั้งหลายด้วยกันคือพุทธศาสนาเรียกมนุษย์ก็เรียกสัตว์โพธิสัตวมหาสัตว์พระพุทธเจ้าเนี่ยตอเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าเรียกมหาสัตว์สัตว์ผู้ยิ่งใหญ่โพธิสัตว์สัตว์ผู้มุ่งต่อการตัสงรู คำว่าสัตว์เนี่ยมุ่งที่มนุษย์ก่อนอื่นในพระไตรปิฎกในภาษาบาลีพอพูดว่สัตว์เนี่ยหมายถึงมนุษย์เป็นหลักแล้วก็สัตว์อื่นก็ประกอบเข้าไปทีนี้ในภาษาไทยนี่มันตรงข้ามแล้วเอาสัตว์นี่ไปหมายถึงดิลฉานท่านี่ภาษาบาลีท้านไม่เรียกสัตว์แ้าเรียกดิลฉานคนไทยเอาว่าสัตว์เนี่ยไปเรียกดิลฉานเอาดิลฉานเป็นสัตว์ดิลฉานก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งแต่ว่า ไม่ใช่สัตว์ตัวสำคัญสัตว์ตัวสำคัญก็คือสัตว์มนุษย์นี่ตอนนี้เรามาใช้ศัพท์ภาษาไทยแบบนี้ก็ทำให้พูดยากเราไปเรียกคนเป็นสัตว์เขาก็โกรธเอาสใช่แต่ที่จริงนั้นต้องคนก่อนเลยพอพูดว่าสัตว์อันนี้มนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่กระเสริฐโดยมีศักยภาพในการฝึกได้ดีที่สุดก็เพราะมีขันห่าที่เรียกว่า ครอบบริบูรณที่สุดโดยเฉพาะด้านนามขันด้วยนามธรรมสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นดิลฉานเป็นต้นนั้นสังขารขันแก่ปัญญาแก่กระขาดพวกสัตว์เหล่านั้นมีนามขันมาช่วยโดยมากก็มักจะได้แค่พอรักษาชีวิตให้อยู่รอดโดยเฉพาะว่ารักษาชีวิตด้านร่างกายเป็นหลักพอให้อยู่รอดไปแต่มนุษย์นี่มันมีนามขันที่ มีการพัฒนาได้อย่างสูงสุดอย่างที่ว่าแม้แต่รู้วิทยาศาสตร์ก็ได้เออก็คือรู้ปัจจัยต่างๆที่มาทำให้ตัวเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายมันเหมือนกับเป็นผลจากปัจจัยเหล่านั้นรวมกันก็เกิดขึ้นมาก็ได้นามขันพอรักษาชีวิตไปให้รอดเท่าที่เป็นไปนได้แต่ว่ามนุษย์นี่มีนามขันพิเศษ ที่ว่าเอามาคิดปรุงแต่งสร้างสรรทำการต่อโลกด้วยไม่ใช่ต่อชีวิตของตัวเองเท่านั้นต่อโลกเลยจึงกระทั้งสามารถสร้างโลกของมนุษย์ขึ้นมาตั้งหาเราจึงได้มีโลกของมนุษย์ต่างหากจากโลกของธรรมชาติตอนนี้เวลาเราพูดถึงโลกเนี่ยเราต้องพูดว่าโลกอันไหนใช่ไหมโลกในความหมายหนึ่งนี่มันกลายเป็นเอิร์ดไปแล้วก็โลกหนึ่งมันกลายเป็นเวอร์ ไอเวอรนี้กลายเป็นโลกของมนุษย์แหละเอิร์ดก็เป็นโลกของธรรมชาติสองโลกมันซ้อนกันอยู่ไอโลกมนุษย์มันก็อาศัยโลกธรรมชาติอยู่ถ้าไม่มีโลกธรรมชาติโลกมนุษย์ก็มีไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราสนใจพิเศษก็คือโลกมนุษย์อไอนี้บางทีเราก็เอาใจใส่แต่โลกมนุษย์จนกระทั่ง หลงลืมทอดทิ้งและกลายเป็นเบียดเบีย น, นทำลายโลกธรรมชาติอย่ากระทั่งว่าไอ้เจ้าเอิร์ดนี่เดือดร้อนใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องหันไปเอาใจใส่เรื่องเอิร์ดถึงก็มีเอิร์ดซมมิตมีการประชุมสุดยอดเรื่องของสิ่งวแวดล้อมก็อยู่ที่คําว่าเอิร์ดแต่เรียกว่าเอิร์ดซมมิตเนี่ยนี่ทำไงมนุษย์เนี่ยก็ตัวเองมีความสามารถอย่างพิเศษเนี่ยแต่ว่าเวลาเอามาใช้ปฏิบัติ มันเป็นไปทางสร้างสารรค์ก็ได้ทางทําลายก็ได้แต่ว่าปัญหาว่ามนุษย์เนี่ยใช้ไปในทางไหนมากกว่านี้ก็มาดูบทบาทของมนุษย์เราดูไปที่ว่าเอา้ามนุษย์เนี่ยมีตัวการที่อยู่ในนามธรรม mm. นามขันเนี่ยซึ่งอยู่ในสังขารขันที่ปรุงแต่งเนี่ยนะที่เป็นตัวสําคัญทําให้มีบทบาทมาออกโรงทําการกต่างๆเนี่ย สำคัญสามันตัญหามานะทิฏฐิเนี่ยดูความเป็นไปในโลกพื้นฐานมักจะเป็นเจ้าสามตัวเนี่ยเป็นแรงขับนี่ถ้าเจ้าสามตัวนี้เป็นแรงขับมันก็จะมีผลในทางทํำลายมากจงกระทั่งว่ามนุษย์บางพวกนี่ถือว่าไอ้เจ้าสามตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้มนุษย์มีการสร้างสารรค์เจริญพัฒนาได้ เมืนอนย่างรัฐที่เศรษฐกิจที่ถือว่ากรีดเป็นสิ่งที่ดีลัที่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยแต่ที่จริงเขาก็ไม่ได้ว่าดีอย่างในเขตนี่แกบอกว่ากรีดไม่ได้ดีแต่ว่าเราต้องอาศัยมันไปก่อนอย่างน้อยหนึ่งศตวรรษเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาไม่ได้ยอมรับว่าดีหรอกแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์อื่นหลายคนก็เหมือนก็ยอมรับไปเลยว่ากรีดคือโลภะก็คือตันหานี่แหละ เป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้มนุษย์นี่สร้างสรรพยายามแสวงหาแล้วก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจนี่ก้าวไปโดยเฉพาะระบบตลาดทุนนิยมก้าวหน้าไปดีๆก็เพราะตันหาอยากได้ผลประโยชน์อยากได้กำไรยิ่งขึ้นอยากได้กำไรสูงสุดเลยเนี่ยก็เป็นอันว่าโดยหลักการก็ถือว่ากรีดนี่ไม่ใช่ดีหรอกแต่ว่าเขาถือว่าจำเป็น แต่เขาก็ไม่มีทางออกเราก็ถือว่าเขามองธรรมชาติมนุษย์ไม่เพียงพอเอาทีนี้เรามาดูบทบาทสามอันนี้ก่อนว่าโลกมนุษย์ที่ขับเคลื่อ น, นมาตลอดบรวติศสตร์เนี่ยไอ้สามตัวนี้เป็นแรงขับเคลื่อนใหญ่ก็ตันหาหนึ่งอยากได้ผลประโยชน์สิ่งบำรุงบนเรือปล้นเปลืความสุขภายนอกของตัวสิ่งเสพบริโภคแย่งชิงผลประโยชน์นี่เป็นเรื่องใหญ่มากที่สุดสองก็เรื่องอำนาจ อำนาจก็ความยิ่งใหญ่อำนาจก็มาหนุนในการหาผลประโยชน์ยิ่งมีอำนาจมากก็ยิ่งหาผลประโยชน์ได้มาแล้วผลประโยชน์มากก็มาหนุนให้มีอำนาจมากสองตัวนี้พึ่งพา ก, กันอันนี้นก็ทําให้มนุษย์เนี่ยแสวงหาแต่ว่าพอไปเจอกันเข้าก็ขัดแย้งกันตั้งแต่ระดับบุคคลไปถึงระดับชุมชนระดับประเทศระดับประเทศก็คือเกิดสงคราม นั่นก็กษัตริย์หรือรัฐในอดีตรัฐหนึ่งก็ยกทัพไปขัดแย้งกันทำสงครามกันกับรัฐอื่นก็เป็นปัญหาจากไอ้เรื่องสองอันเนี่ยหนึ่งตัญหาหาผลประโยชน์อย่างที่อิหร่านสมัยหนึ่งนี่ตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องต้องหาทุนทรัพย์มาก็เป็นเหตุให้ยกทัพมารุกรานอินเดียเพื่ อ, อ น, นี้โดยตรง แล้วแกกตีอินเดียได้เก็บหมดไอท้ทีวังวังของมหาราชาของอินเดียนี่หรือลายนะ mm hmm. เพชรพลอยประดับตามผนังเลย mm hmm. เก็บหมดเอาไปเรียบรวมทั้งบัลลังอะไรก็ไม่รู้บัลลังชื่อบัลลังอะไรไม่รู้แล้วก็อังกฤษมาเอาไปต่อไปเป็นบัลลังที่อังกฤษ น, นั่นเ แล้วก็มีเพชรอะไรก็ไปจากอินเดียเพชรที่ก้อนใหญ่ที่สุดไปอยู่ในมงกุฎพระราชินีอังกฤษอ่ะเอาละอิหร่านก็มาตีอินเดียแล้วก็ขนทรัพย์สมบัติไปแล้วตอนที่พวกเติกลงมามาอยู่แถวแถวอัฟกานิสถานจะเข้าตีอินเดียแต่ตอนแรกเขาต้องการสร้างอาณาจักรเขาเขาจะสร้างได้ยังไงเขาต้องการทรัพย์สินเงินทองมากก็ใช้นโยบายว่า ยกธัพมาตีอินเดียทุกปียกทัพมาก็ขนทรัพย์ไปก็มาตีพวกวัดพุทธวัดฮินดูเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากพัดมุ่งมตีเนี่ยวัดเนี่ยแล้วก็แย่งชิงดินแดนนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่ น, นั้นจะมุ่งไปสร้างอาณาจักรของตัวเองระยะนั้นก็เป็นระยะที่เดือดร้อนกันมากทีเดียวก็เรื่องการแย่งชิงทรัพย์สมบัติเอาละด้านหนึ่งเลย อีด้านหนึ่งก็คือด้านอำนาจแย่งชิงความเป็นใหญ่มันได้ความเป็นใหญ่มันก็ได้อทรัพย์สมบัติไปด้วยแรัชทธิอาณานิคมที่อังกฤษสเปนโปร ต, ตุเกสฮอลันดาออกมาล่าอาณานิคมกันเยก็เพื่อความยิ่งใหญ่ใช้ความยิ่งใหญ่แสวงหาทรัพย์ผลประโยชน์เอาทรัพยากรจากพวกประเทศที่ล้าหลังด้อยพัฒนานี้ไป เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ก็เรื่องใหนดีที่สำคัญอินเดียเดอร์นี่ก็ป่าไม้ยับเยินหมดต อ, อนผลิตข้าวโาปกครองแล้วก็เอาพวกทรัพย์สินอะไรต่างๆที่มีแต่โบราณไปแม้แต่พวกสิ่งที่สำคัญทางอารยธรรมประวัติศาสตร์อย่างอียิปต์ก็เอาแม้แต่อะไรไอ้พวก สฟิงค์หรืออะไรพวก น, นี้พอจะเอาไปได้อะไรเนี่ยก็เอาไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัณหารกรมาณะต้องการผลประโยชน์ต้องการความยิ่งใหญ่เนะี่ยแต่มันมีอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากเหมือนก็เป็นความก้าวหน้าของมนุษย์แต่ก็เป็นตัวที่ร้ายที่สุดของมนุษย์คือมนุษย์มีนอกจากไอ้ความทยานอยากตัณหาความต้องการยิ่งใหญ่ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสัตว์อื่นก็มีเหมือนกัน แต่มันไม่มีไอตัวปัญญาที่จะมารับใช้สนองอันนี้ทีนี้มันมีอันที่ว่าปัญญานอกจากมาถ้วยสนองรับใช้สนามมนะนั่นแหละมันมีตัวโดยตรงเลยที่สัมพันธ์กับปัญญามนุษย์มีความสามารถทางปัญญามีความสามารถในการคิดรู้เข้าใจสิ่งต่างๆพอเข้าใจรู้ไปส่วนหนึ่งเขาก็จะสรุปว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้ และบางทีก็ยึดเอาว่านั่นคือความจริงนึงก็ต้นถึงความจริงแล้วความรู้เข้าใจที่สรุปแล้วยึดว่าเป็นความจริงอันนี้เราเรียกว่าความเห็นความเห็นก็ยึดเป็นความจริงไปอันนี้เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยที่จริงมันก็มีความสรรมาําคัญพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่ามนุษย์จะก้าวไปในทางปัญญาเนี่ยดยทิฏฐิ สมัยป ity, wireless, ัจจุบันเขาเรียกทฤษฎีก็ใช้สันสกฤตนี่เองบาลีเรกวัตถิติสันสกฤตเรกวัตทฤษฎีมนุษย์พัฒนาปัญญาก็รู้เข้าใจได้เห็นข้อมูลต่างๆแล้วถึงขั้นตอนหนึ่งก็สรุปสรุปว่าอันนี้เป็นอย่างงี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นความเห็นทีนี้เขาสรุปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้นึกว่านี่เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแสวงหาความจริง แต่บางทีไปยึดเลยว่านี่คือความจริงก็คือเอาความเห็นเป็นความจริงพอเอาความเห็นเป็นความจริงไอ้ตัวนี้เรียกว่าทิฏฐิแล้วทิฏฐิเนี่ยก็จะมาขัดขวางกระบวนการพัฒนาปัญญาต่อการแสวงปัญญาการแสวงหาความจริงจะหยุดตัวเองก็ขัดขวางตัวเองให้ติดก้าวต่อไปไม่ได้แล้วก็เป็นเหตุขัดแย้งกับผู้อื่นตัวสรุปแล้วต้องเป็นอย่างนี้ ความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เพราะคนอื่นว่าอย่างอื่นก็ขัดแย้งกันทีนี้มันไม่ใช่ความเห็นแค่อะไรเป็นความจริงเ่ยมันมาถึงนี้ด้ช่ว่าเออมนุษย์เนี่ยต้องมีชีวิตมีสังคมอย่างไรจึงจะดีตอนนี้มีปัญญาขึ้นมาก็คิดไปทีนี้ไอความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นตัวป้อนที่จะให้ได้สรุปอย่างที่ว่าเขาเข้าใจแค่ไหนอย่างที่เรามองว่า เขาไม่ได้เข้าใจธรรมชาติมนุษย์เพียงพอเขาก็สรุปเอกเท่าที่เขามองเห็นและโดยเฉพาะก็คือเป็นลัทธิที่ในกระบวนการหาความรู้นั้นเขามองไปแต่ข้างนอกไม่เคยวิเคราะห์ตัวเองพอไม่วิเคราะห์ตัวเองก็มองแต่ข้างนอกสิก็มองในแง่ที่ต่อมาเราเรียกว่าเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางระบบตะวันตกเนี่ยเขาถือว่าเป็นแมนเซ็นเตอร์เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางที่ว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางก็คือมนุษย์เนี่ยจะต้องยิ่งใหญ่ ไปจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกหนึ่งสนองความต้องการของตัวเองสองในการสนองความต้องการาตัวเองก็ไปจัดการสิ่งภายนอกทั้งหมดโลกนี้มันยังไม่ถูกต้องไอ้ที่มันไม่ถูกต้องคือไม่เป็นอย่างใจตัวที่ตัวต้องการอันั้นต้องจัดสรรโลกมนุษย์เนี่ยสิ่งแวดล้อมทั้งหลายให้เป็นไปเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์อันนี้เรียกว่าเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางมนุษย์ก็มองธรรมชาติเป็นต่างหาที่ตะวันตกเขาบอกเขายอมรับเนี่ย ว่าในอาริยธรรมของเขาเนี่ยได้กลายเป็นว่าเขาได้เอามนุษย์ไปสูงย์กลางแล้วเขาก็มองมนุษย์ต่างหากแก่ธรรมชาติเนเจอร์ก็คือสิ่งอื่นจากมนุษย์สิ่งที่เป็นนัตชุลันกับแมนเมดเงี้ยเป็นตัวอย่างคนทําตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นธรมนธรมชาติคนนี่ต่างหากแก่ธรรมชาติก็แยกกันแต่ทีนี้ธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน แล้วมันมีมากมายที่ไม่เป็นไปตามใจของมนุษย์โดยเฉพาะในชีวิตสังคมตะวันตกเนี่ยเช่นความหนาวเป็นต้นเบียดเบียนมนุษย์มากก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์มันทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขเดือดร้อนต้องคอยทำโน่นทำนี้ดิ้นรนขนขวายเพื่อจะให้พ้นจากการบีบคั้นของมัน ไอความรู้สึกเนี่ยก็พัฒนาเป็นความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมชาติก็เลยมองธรรมชาติหนึ่งตัวเองเป็นต่างหากจากธรรมชาติที่เ็าเรียกว่า Separate from Nature อสองก็คือว่าเป็นปฏิปักษ์กันเป็นปฏิปักษ์แล้วก็มนุษย์จะต้องไปพิชิตเขาใจกคำว่าไปคองคอรหรือไปมีโดเมนเนียนโอเนเจอร์หรือไปมีมาสเตอรี่โอเนเจอร์ ก็คือต้องมีเนี่ย c o n เ u e s t สามสับเนี่ย conquest mastery ด o m i มนุษย์จะต้องไปมีไอความเป็นใหญ่เหนือธรรมชาติชนะพิชิตธรรมชาติได้แล้วเขาถือว่านี่คือตัวแกลงขับดันอารยธรรมตะวันตกให้เจริญมาถึงปัจจุบันจนกระทั่งมาเกิดปัญหาธรรมชาติแปรล้อมเสียอันนี้ก็คือตัวอย่างของทิฐินี่คือ ทิฏฐิที่มันเป็นตัวขับดันมนุษย์เป็นตัวฐานของอารยธรรมแล้วก็มามีทิฏฐิที่ว่าสังคมมนุษย์จะดีก็อย่างที่ว่าต้องเสมอภาคกันทั้งหมดก็จัดกับไฟแบบลัทธิคอมมิวนิสต์นิยมหรือแบบปัจเจกชนนิยมทุนนิยมเสรีที่ว่าต้องให้มนุษย์ได้สนองความต้องการมีเสรีภาพเท่าที่ไม่ละเมิดเบียดเบียนคนอื่นอ้าวนิ่หมุท่านถามก่อน ว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวจับหรือเป็นตัวยึดนะครับอันนี้แหละกำลังค่อยๆพูดที่บอกว่าต้องค่อยๆพูดเรมันเรื่องยาวเลอเกินน่ะเอาตัวจับก็นี่แหละก็คือเรากำลังพูดถึงว่าตอนนี้มนุษย์เนี่ยมีไอ้ตัวสาคัญก็คือปัญญาแล้วปัญญาตัวเนี้ยในการพัฒนาขั้นต้นๆเนี่ยก็มีทิฏฐิในไอ้ตัวทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวพิเศษของมนุษย์นะท่านจะเห็นว่า ไอสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เราดีลัฉานเนี่ยมันไม่มีไอตัวนี้แต่ไอตัวนี้มันกลายเป็นตัวที่ทําให้มนุษย์เนี่ยเกิดความขัดแย้งกันรุนแรงที่สุดเลยนี่เราจะดูว่าลักษณะมนุษย์ที่ไปติดแรงขับของทิฏฐิเนี่ยจะมีลักษณะไม่เหมือนกับพวกตันหามันนะพวกหนึ่งก็ไปแย่งชิงผลประโยชน์ก็เป็นตันหาพวกหนึ่งต้องการความยิ่งใหญ่กำมานะทีนี้พวกทิฏฐิเนี่ย ยึดมั่นในความเห็นของตัวเองอาจจะเป็นลัทธิเป็นศาสนาเป็นอุดมการก็ได้พวกนี้มักจะมีความประพฤติ ด, ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้เกิดศรัทธาคนจะเรื่อมใสว่าคนนี้โอ้เขาประพฤติ ด, ดีเช่นถ้าเป็นนักการเมืองก็ไม่ขอรับชันแต่ว่ามีทิฏฐิซึ่งยึดมั่นเพราะความยึดมั่นในทิฏฐิทำให้เขาสละอื่นได้หมดเลย แม้แต่ผลประโยชน์อยู่เพื่อทิฏฐิเพื่อสนองอุดมการณ์อันนี้อันเดียวทําได้แรงให้ความยึดมั่นอันเนี้ยนะแล้วเขาก็มุ่งแบบันเนี้ยแต่ว่าใจมันแคบมันต้องเป็นอย่างที่ฉันเห็นอย่างเดียวใ น, นพวกนี้มันก็มีแรงในการเบียดเบียนสูงคือพอสําเร็จตามปรารถนามันต้องเป็นอย่างที่ฉันจใจเป็นตอนนี้เรามาฆ่าได้เท่าไหร่ก็ได้เลยนะ ถ้าดูพ่นพดสิคือได้ยินไหมในผ่อนพดเนี่ยเขาก็ติดในอุดมการณเขาต้องการจะให้เป็นลัฐที่คอมมอนนิสต์แบบนั้นรอไม่ได้พอได้อํานาจคือว่าต้องมีผลประโยชน์ต้องมีอํานาจเพื่อมาสนองทิฐิอันนี้มันลึกซึ้งยิง่องกว่าไอ้สองอันต้นไอ้สองอันต้นมันหยุดแค่นั้นจะหามานา จ, จบ ไอ้เจ้านี่ทิฐีนี่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นแกจะทําให้ทิฐิสําเร็จผลนี่แกจะต้องมีผลประโยชน์ด้วยแกต้องมีอํานาจด้วยแต่ว่าในแง่งความประพฤติเขาจะมักจะดีเพราะเขาไม่ได้เห็นกันเรื่องเหล่านั้นแต่ทีนี้ว่ามันจะมีปัญหาตรงเนี้ยไอ้ใจที่มันติดในทิฐิเนี่ยมันก็กลายเป็นใจแคบเพราะใจแคบทีนี้แล้วมันก็ไม่ฟังคนอื่นเลยนะมันจะเอาแต่แนวคิด อุดมการลัดที่ของตัวอย่างเดียวต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทีนี้มันแรงนครับมันแรงมันก็ต้องจัดการให้เป็นมันช้าไม่ทันใจมันก็มันก็ฆ่าได้หมดหลในพรหมพอ์นี่ก็ไม่น่าทำได้ก็ทำได้ใช่ไหมก็ฆ่าคนเขเมรจะต้องสองล้านมึงแล้วตอนนั้นผมอยู่อเมริกานี่หลวงพ่อโฆศานันทะนี่ท่าน เป็นพระเขเมรที่มีชื่อเสียงท่านก็หนีไปแล้วท่านก็ได้รับนิ ม, มนต์เพราะท่านเป็นผู้นำของชาวเขเมรลีร้ภัยอยู่ในอเมริกาบางครั้งก็ทางพวกรัฐบาลอเมริกันก็นิ ม, มนต์ไปพูดครา้หนึ่งท่านไปพูดที่ซิตี้ฮอลล์ของรัฐนิวยอร์กของเมืองอันวาน่อันวานีที่นิวยอร์กแล้วท่านก็เลยเอาเอกสารให้ด้วย ท่านพูดบอกว่าพรพศฆ่าประชาชนเท่านั้นล้านแล้วก็ข่าพระแปดหมืนองค์พระหมดประเทศเหลือไม่มีเหลือตอนที่เขาฟื้นพุทธศาสนาใหม่นี้เขาต้องไปเอาพระจากเวียดนามมาบดคนคเขมรเนเพราะพร ะ, พระเขมรไม่มีเหลือถ้าไม่ตายก็ต้องศึกหนีภัยข้าราชการที่มีสมองข้าหมดเพราะพวกนี้ถือว่าติดในแนวคิดเก่า แล้วก็เอามาเฉือนคอกันข้าถน น, นเอามายืนเรียงรายข้าถน น, นเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรตาล น, นะ mm hmm. เฉือนคอไอไอทิต้นตาลมันมีอะไรส่วนที่ขมเขาเรียกอะไรนะ mm hmm. ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเน้อเขามีสับเรียก mm hmm. นั่นแหละให้ยืนเรียงกันแล้วก็ประชาชนก็มาดู mm hmm. แล้วก็เชือดคอเชือดคอด้วยไอไออะไรตานนี่แหละ mm hmm. ส่วนหนึ่งก็ส่งไปแคมป์ แคให้การศึกษาเพื่อเปลี่ยนความคิดนี่พวกที่มีการศึกษาท่ารายการที่สําคัญสําคัญก็ตายแทบเรียบเลยแล้วก็เปลี่ยนประเทศใหม่ทุกคนเปลี่ยนชื่อใหม่หมดแล้วก็เปลี่ยนคนจากสังคมเดิมคนที่อยู่ในพนมเปญก็อพยพไปอยู่บ้านนอกหมดให้ไปทำไรไถายเนา เดือดร้อนกันมากตายในระหว่างทางละะเลยแต่ละอดอยากเยอะๆพวกพี่น้องที่หนีไปอยู่อย่างอเมริกาก็ส่งข่าวไม่ได้เพราะว่าชื่อชื่อเปลี่ยนหมดเงินก็ยกเลิกหมดทุกอย่างเปลี่ยนหมดเรียกว่าเปลี่ยนแผ่นดินใหม่กันเลยนี่คื อ, อพรทศตัวอย่างเล็กๆเกยอยๆ อ, อ่าใหญ่ก็เป็อีกฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ก็ฆ่ายูได้กี่ล้านคน สี่หรือหกล้านหกล้านม้อง่าอย่างเรียกว่าเหมือนกับยิ่งกับศัตรย์อีกฆาง่ายๆเลยเอาขึ้นกระบบวนรถไฟมาไล่กวาดมาเป็นฝูงลงจากกระวนรถไฟมามีไอ้ลงแก๊สแล้วก็ตอนเดินเข้าไปแล้วก็ปิดแล้วก็ปล่อยแก๊สเามันก็ตายหมดออกไปเ น, นี่ยไม่รู้เท่าไหรเท่าไหร่ โดยสร้างแรงอุดมการณ์ว่าพวกเยอรมันเป็นเผ่าอารยันที่ยิ่งใหญ่พวกยูนี้จะต้องกำจัดให้หมดก็ถือทิฐิในเรื่องเชื้อชาติไอ้ทิฐิแม้แต่เล็กๆในน้อยเนี่ยถือผิวถือเชื้อชาติถือรัฐที่หรือศาสนานทิฏฐิทั้งนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนมันร้ายยังกันตนาห์มานะอินทะคนไม่เคยรู้แล้วมันยืนจัดนานในกัตนาห์มานะมันเสด็จอดของมันมันจบ กษัตริย์องค์นั้นได้อำนาจมาหรือรัฐนี้ไปได้ผลประโยชน์ที่ต้องการมาก็เสร็จไปทีหนึ่งแต่ทิฐินี้ยังยืนอยู่ตลอดโดยเฉพาะรัฐทาศาสนาและทายุดธยังไงและบางรัฐที่นี้จะไม่ยอมรับคนอื่นเลยนี่คือความเจริญความพิเศษของมนุษย์และมันพิเศษดีหรือวิเศษร้ายละ่ะเนี่ยทาคิดให้ดีนะนี่ก็คือมันด้านปัญญาเลยนะทิฐิเนี่ย เพราะมนุษย์มีปัญญาทำให้สามารถคิดเอาความรู้ข้อมูลความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์สุขของมนุษย์เนี่ยมาพิจรารณาแล้วก็มีข้อสรุปลงเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นในพุทธศาสนาจึงไม่ให้ติดในทิฏฐิยอมให้รับรู้ว่าทิฏฐิเนี่ยมนุษย์มีแต่ให้เป็นทิฏฐิที่พัฒนาได้และจะหยุดยอย่าไปติดอยู่ถ้าเอาทิฏฐิเป็นสัจจะ มันมันถึงจุดหนึ่งมันจะเอา ไ, ไอ้นจจเนี่ยอทิฏฐิกับสัจจะเนี่ยเอาความเห็นเป็นความจริงจบเลยตันตัวเองก็หยุดที่จะมาวิเคราะห์ที่จะแสงหาความรู้ต่อไปแล้วก็ขัดแย้งกับผู้อื่นถ้ารุนแรงก็ไปบังคับคนอื่นให้ต้องเห็นอย่างตัวเองแล้วประวาัาสรมันก็มาในรูปนี้ไปบังคับทําสงครามเพื่อ บ, บังคับให้คนอื่นต้องถืออย่างตัวเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลย อทิฏฐิของคนเนี่ยมันมักจะเป็นแบบนี้คือทิฏฐิที่ลงเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยนี่พุทธศาสนานี่ต่างไปหมดเลยที่ว่ามองมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่กําลังพัฒนากันอยู่นั่นเราจะต้องยอมรับเขาตามที่เขาเป็นแต่ขออย่างเดียวอย่าให้ขุนหยุดอยู่กับที่แล้วก็หาทางช่วยกันให้พัฒนาต่อแต่ทีนี้ในการ จะเรียกว่าถือแนวคิดแบบนี้มันทำให้กำลังความเข้มแข็งกลับน้อยเหมือนกัไม่ค่อยมีพลังพวกที่มีแรงตันหาเรียงแรงกิเลสมันแรงจริงๆนะตันหายอยากได้ผลประโยชน์มันแรงจริงๆนะเอาเท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่ไม่มยพอและแถมยังฆ่าคนฆ่าพืชมนุษย์ทาลายโลกได้เพื่อจะเห็ น, นผลประโยชน์ต้องการความยิ่งใหญ่กระชินเดียวกัน แล้วก็เพื่อสนองทิฏฐินี้ยิ่งแรงหนักเขึ้นไปอีกมันยึดมั่นในอุดมการเป็นต้นมันทําอะไรก็ได้พราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาจริงพัฒนาคนเอาละหรือว่าคนนั้มีทิฏฐิคุณอย่าเอาทิฏฐิไปเป็นเหตุเบียดเบียนคนอื่นไปอันขแล้วก็ต้องมีการยอมรับฟังคนอื่นและให้โอกาสคนอื่นและอย่างน้อยรู้ว่าเขายังต้องมีการพัฒนามนุษย์ไม่เหมือนกันยังมีการพัฒนาระดับต่างๆจะให้เป็นอย่างที่เราต้องการ ในเวลาเดียวกันทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ต้องให้โอกาสเขาแทนที่ว่าจะไปบังคับเขาเนี่ยเราต้องมีเมตตากรุณาแล้วก็ต้องถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะไปช่วยให้ปัญญาเขาปัญญาก็ยัดเยียดไม่ได้นั้นในเมื่อถือว่าปัญญายัดเยียดไม่ได้เนี่ยมันไม่มีทางไปบังคับมันบังคับตัวเองให้ต้องมีเมตตาที่จะไปหาทางช่วยเขาเพื่อให้เขาได้เกิดปัญญาและก็พัฒนาขึ้นมา แต่ขออย่างเดียวเนี่ยพวกที่ทําหน้าที่เนี่ยรู้หลักการเนี่ยมันต้องมีปัญญาแบบที่ใจกว้างแล้วก็รู้เข้าใจที่ต้องคิดมองแง่อื่นแง่นอนแงนี้มันทําให้ไม่มีไอ้จุดยุดตายตัวดิ่งคือพวกรัที่ต่างๆพอไอ้เจ้ารัฐที่ตั้งขึ้นมาได้นะเจ้ารที่น่นเป็นคนเข้าใจมากที่สุดแต่ว่าจุดที่เขาบอกคนอื่นที่มาเป็นสานุรสิทธิ์ให้ยึดถือเนี่ยเขาบอกอย่างเดียวเลย และยึดแค่นั้นใช่ไหมมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ไหมมันรู้แค่ตามที่บอกเนี่ยเอาและยึดแค่นี้ทีนี้ก็เอาตามนี้นี่ได้แรงศรัทธาเนี่ยมันแรงมากมันเป็นข้อดีในแง่เข้มแข็งแรงมากพวกเนี้ยพวกนี้อยู่ในศรัทธานะแนวลัทธิทิฏฐิอุดมการณ์พวกเนี้ยอยู่ในศรัทธาแรงมากแม้แต่ฆ่าตัวตายใช่ไหฆ่ายง่ายเลยใช่ไหม ค่าเพื่ออุดมการณ์ทำลายชีวิตตัวเองอะไรตอนแรได้หมดแต่พวกที่แบบพุทธศาสนาพูดง่ายๆเนี่ยเลยไม่มีแรงดูริทําอะไรแต่ละกลายเป็นว่าในที่สุดเนี่ยเรื่อยๆไปเปื่อยเชยแฉะอะไรจะเป็นไงก็ได้ถึงนั้นเป็นชาวพุทธนี่อะไรก็ได้ไปไปมาไม่มีหลักอะไรเลยจะน่าเกลียดกลายเป็นคนไม่ได้เรื่อมเนี่ยชาวพุทธมันเสียตรงเนี้ย เพรามต้องมีการศึกษาพัฒนาตลอดเวลาให้ไม่ประมาทให้รู้หลักกระจับหลักไว้ให้ได้อะไรต่างๆให้มีวินัยเพื่อมาเป็นเครื่องฝึกทีนี้สังคมพุทธตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยวินยัยวินัยมันไม่มีเท่านั้นแต่โบราณมันยังมีวินัยไว้ใช่ไหมวินัยเป็นเครื่องมาช่วยนในการฝึกคนเราจะอาศัยสิ่งวเวลาอที่พูดไปแล้วนะมาเป็นเครื่องเอื้ออํานวยให้มนุษย์ฝึกตนได้ก็คือวินัยนี่ แล้วคุณไม่ใช้วินัยไอ้สิ่งแวดล้อมมันก็ไม่ได้มาเอื้อจริงมันไม่มีการจัดสรรจัดตั้งเะนั้นระบบพุทธศาสนาก็ไปไม่รอดถ้าแบบนี้นั้นวินัยต้องมีแต่ตอนนี้มันรักษาได้อยู่ในวินัยพระอันหนึ่งแต่วินัยขรุขัดไม่มีเหลือเลยจึงกระทั่งที่เรียกว่าชาวพุทธเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยจึงกระทั่งว่าไม่รู้แม้แต่ว่าไปนับถือไอ้เรื่องเทวดาแบบไหนจึงจะ เข้าหลักพุทธศาสนาไม่ผิดหรือว่าจะไปนับถือของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรตระเลยเปิดเผมศัยศาสตร์ไปเลยใช่ไหมเอเนี่ยมันก็หมดสิพุทธศาสนามันก็เลอะเทอ ะ, อะมันไม่มีแล้วถ้าอย่างงี้มันก็ไม่เป็นพุทธศาสนาแล้วนี่ทําไงล่ะนี่กําลังพูดในแง่นี้ให้เห็นว่าความต่างระหว่างแนวคิดที่กว้างที่มองธรรมชาติมนุษย์ สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแล้วก็พยายามจัดปรับให้มันเป็นไปตามแนวกว้างเนี่ยนะมันกลายเป็นยากเพราะมันมาเกิดความอ่อนแอที่ตัวมนุษย์แต่ว่าไอ้ที่มีแรงขับของกิเลสตัณหามานาทิฏฐิกลับมีกําลังแรงจะเอาให้ได้เพราะฉะนั้นมันก็สวนทางกันอีกมันเลยกลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนายากจริงๆแก้ไขปัญหายากจริงๆ พอตันหามานะมันแรงมากไอ้พวกทิฏฐิก็จะเข้ามาจัดการท่านดูสิจะเห็นสังคมแบบนี้พอมีไอ้คนที่มีทิฏฐิพวกนี้จะประพฤติดีแต่ว่ายุดมั่นในความคิดหนึ่งเดียวตายตัวแต่คนจะเลื่อมใสต่อมาก็จะศรัทธาตามกันเต็มที่เลยมีกําลังในการกระทําแล้วก็มีกําลังในการกําจัดสิ่งที่เห็นว่าไม่พึงปรารถนา รวมทั้งมนุษย์อื่นมันไปจบกงเนี้ยที่มันไปกันไม่ค่ยรอดเนี่ยท่านดูประวัติศาสตร์ทีนี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่รู้ทันพอเห็นมนุษย์พวกหนึ่งไปตามตาหามานะ่ก็ต่อมาถึงระดับหนึ่งก็เบื่อนหน่ายรังเกียจอยากออกไปใช้พวกนี้สัทีทีนี้ก็จะมีพวกมนุษย์พวกเจ้าทิติเจ้ารัติมาเจ้ารัติมาก็เลื่อมใสไปกันก็ไปกันหนักเลยก็กลายเป็นว่า ลัดทีทีท่ถืออย่างหนึ่งอย่างเดียวต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นก็ต่อไปก็นําไปสู่การเบียดเบียนห้ามอนอีกวงจรมันก็เลยไม่จบทําไงจะพัฒนามนุษย์ให้มนุษย์ทั่วไปก็ต้องรู้เท่าฐานพกทธิตินี้ด้วยก็รู้เข้าใจเออพวกนี้ก็มีดีในแง่นี้พุทธศาสนาจึงให้ใช้วิถีวิพัฒนาวิจักแยกแยะวิเคราะห์เออหมอนี่ในคนนี้เออก็ดีท่านผู้นี้ก็ดีในแง่นี้นะแต่จะมีจุดอ่อนในแง่นั้น อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะดิ่งไปง่ายๆนี่ก็แบบหนึ่งแล้วในการพัฒนาอันนี้ผมจะพูดเป็นเพียงแง่ๆนะให้เป็นข้อสังเกตยังไม่เป็นข้อสรุปอะไรแล้วอย่างในแบบของพุทธศาสนาเนี่ยการพัฒนามนุษย์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเรายอมรับว่ามนุษย์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแตกต่างกัน สังคมเองก็จะต้องมีลักษณะที่หลากหลายด้วยไม่ใช่เฉพาะตัวคนที่จะสนองความต้องการไม่ใช่เฉพาะสนองความต้องการะสนองวัตถุประสงค์ในกระบวนการพัฒนามนุษย์นั้นเพราะนั้นมันก็เลยเกิดมีชุมชนสังคะขึ้นมาชุมชนสัง้าก็เป็นชุมชนอีกแบบหนึ่งมีวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งเหมาะกับคนอีกแบบหนึ่ง ที่เขาพร้อมที่เขาพอใจที่จะเข้ามารับการฝึกหัดพัฒนาหรือต้องการฝึกตนแบบนี้ก็เข้ามาก็ฝึกตนไปแล้วก็มีสภาพเอื้อก็จัดอีกแบบหนึ่งความเป็นอยู่วินัยการจัดตั้งก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสังคมของพระสงฆ์ก็จะมีวินัยจัดตั้งระบบจัดตั้งสิ่งแวดล้อมกระบวนการต่างๆให้มันเอื้อต่อการพัฒนาในระดับนี้ส่วนมนุษย์ที่ยังไม่พร้อมก็อยู่เป็นข้าราชการก็ต้องจัดตั้งระบบของค้าราชการให้สอดคล้องกัน นั้นไปไปมามาเหมือนกับว่าอันเนี้ยนาไปสู่แนวคิดที่ว่าในฝ่ายพุทธจักรก็มีพระพุทธเจ้าฝ่ายอาณาจักรก็มีจักรพรรดิท่านลองไปดูสิแนวคิดเนี้ยอย่างในจักรวัติสูตรและอันเนี้ยเป็นแนวคิดที่พระเจ้าอโศกรับมาถือสมัยพระเจ้าโสดร์ว่าไปก็คือการพยายามที่จะจัดตั้งระบบเนี้ยคือมีพุทธจักรอาณาจักร อาณาจักรก็มีพระเจ้าโศกคล้ายๆถือหลักจกักรวรรดิวัดเนี่ยมาเป็นผู้นําธรรมะที่สอนในชุมชนสงฆ์ก็จะมีระบบทั่วไปอย่างหนึ่งและสําหรับครือหัดนั้นจะมีธรรมะทั่วไปแบบหนึ่งถ้าเราดูง่ายๆสําหรับชุมชนสงฆ์จะมีใจิกขาสีสังวรทิพญยาสําหรับชุมชนครือหัดก็จะมีทานสินภาวนาแต่ไม่ใช่แค่นั้นหรอก ถ้าดูกว้างๆางออกไปเนี่ยเราจะเห็นออกไปอีกมีฝรั่งอันนี้ผมแทรกเข้ามานิดหนึ่งฝรั่งและนักปราชิ์อินเดียที่มาค้นคว้าเรื่องจารึกอโศกพระเจ้าอาโศกเนี่ยก็เป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่นับถือพุทธศาสนาอย่างชัดเจนทีนี้พระองค์ก็ทําศิลปจารึกไว้และเลยเป็นสิ่งที่ปรากฏมานานนอกจากศิลปะวัตถุแล้วก็ ปูชนียสถานใหญ่ๆแล้วกันเนี่ยจารึกศิลาทั้งเสาศิลาจารึกทั้งศิลาจลรารึกตามโขตหินตามแผ่นหินต่างๆอันนี้พระเจ้าโศกนี่ก็ต่อมาในเมื่อกษัตริย์ฮินดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาพระเจ้าโศกเนี่ยหายไปจากบอร์ติซ่าเป็นเวลาเป็นพันๆปีค น, นเดียเดียไม่รู้จักเลยพระเจ้าโศกไม่เคยได้ยินชื่อ จกนกระทั่งว่าอังกฤษเข้ามาปกครองนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของอังกฤษเอาอินเดียไป็นอนาณาณิคมอังกฤษนี่เป็นคนที่ใฝ่รู้ชอบสวยงาความรู้นอกจากเข้ามาแสวงหามบประโยชน์มามีอำนาจปกครองแล้วนักวิชาการเขาก็ออกหาความรู้กันใหญ่เลยแล้วด้านหนึ่งก็คือการสำรวจโบราณคดีก็มีพวกนักโบราณคดี นักวิทยศาสตร์ของอังกฤษที่เข้ามาบุกเบิกแล้วก็ค้นพบพวกศิลาจารึกสาวศิลาจารึกสถูปเจดีย์ในพุทธศาสนาเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยพระนามเจ้าอาโสกก็ปรากฏขึ้นมาโอ้นี่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เลยเนื้อพระเจ้าอาโสกก็เลยฟื้นคืนชีพขึ้นมาจนกระทั่งเข้ามาอยู่ในธงชาติอินเดียอินเดียทั้งที่เป็นฮินดูตอนประกาศเอกราชก็เอา หัวสิงหสี่ตัวของพระเจ้าทรงเป็นตาแผ่นดินแล้วก็เอาธรรมจักรที่ทูนอยู่บนหัวสิงห์มาเป็นตาในธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินเดียในความยิ่งใหญ่ไม่ใช่ในแง่ศาสนาแต่ว่ากลายเป็นตาธรรมจักรเนี่ยไปเป็นสัญลักษณ์ทีนี้เอาละนี้เรื่องพระเจ้าอโศกเนี่ยเขาก็ไปอ่านศิราจารึกของพระองค์ก็ทําให้รู้ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงไปถึงพวกกรีกอะไรอะไรนี้ได้อันนั้นก็เป็นส่วนประกอบ นี่อันหนึ่งก็คือว่าจารึกของพระเจ้าโศกเนี่ยท่านสอนประชาชนสอนข้าราชการเพราะต้องการให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีมีสุขแล้วก็ประพฤติธรรมอันเนี้ยถ้าท่านจะบอกว่ามีตัวอย่างไว้ในประวัติศาสตร์ยุคพระเจ้าโศกหลังจากสงครามแล้วพระเจ้าโศกเลกสงครามก็อยู่กันเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าโศกเนะี่ยแน่นอนไม่มีเบียดเบียนใครไม่มีการยกทัพไปรบ ก, กับใครอีกเลย แม้แต่นักโทษที่ขังคุกเนี่ยนักโทษประหารท่านยังพยายามงดเว้นแล้วก็พยายามเอาใจใส่ให้โอกาสอะไรต่างๆกันนักโทษประหารชีวิตนะมีจารึกวันใดจารึกกระสอไม่มีการฆ่าสัตว์บูชายัญอะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงการอยู่ร่วมกันให้เคารพ บ, บิดามารดาให้เลี้ยงดูให้ดูแลทาตกรรมกรคนรับใช้ให้ดีอะไรต่างๆ จอว่าให้ความอใจใส่เนี่ยพวกคนรับใช้คนงานอะไรพวกเนี้ยมากอันนี้คําสอนของท่านเนี่ยเยอะแยะปรากฏในศิลาจารึกต่างๆพวกฝรั่งแล้วก็นักปราชญาอินเดียก็มาศึกษากันเราบอกว่าพระเจ้าอโศดนับถือพุทธศาสนาก็จริงแต่ธรรมะที่พระเจ้าอโสดมาสอนเนี่ยไม่ใช่ธรรมะในพุทธศาสนาแต่เป็นธรรมะที่เป็นกลางๆที่ทุกศาสนายอมรับได้ เขาก็เลยเรียกว่าอาโศกธรรมะไม่ได้เรียกว่าพุทธศาสนาเขาใช้คำนั้นนะเขาเรียกอาโศกธรรมะธรรมะของอาโศกก็มีแนวคิดความคิดกันอย่างนี้เยอะไปดูำํำราพวกที่ศึกษาเรื่องพระเจ้าอาโศกแม้แต่พวกอินไซโคปพเดียในบริเทนนิก้าก็มีเรื่องอาโศกกันเอ็ดดิกนาจารึกอาโศกก็ว่าทำนองเนี้ยเราก็มาดูอ๋อแสดงท่านเหล่านี้ไม่เข้าใจ เนี่ยไม่เข้าใจระบบพุทธศาสเนออ้าวผมจะเล่าให้ฟังแล้วท่านจะชัดเลยว่ามันเป็นยังไงพระเจ้าโศกรุษจั4สี่สิบปีเป็นมหาหนาจักรยิ่งใหญ่ก็ไปถึงแถวอัฟกานิสถานบังคลาเทศอัฟกานิสถานยาวไปตลอดนั้นก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในโบราณศาสตร์อินเดียทีนี้ทำไงท่านจะเข้าใจเรื่องนี้ ผมจะเล่าให้ฟังในพระใจวดิโเลยเล่าให้ฟังนิดหน่อยคือให้ท่านได้ค่อยๆสรุปผมไม่ต้องไปสรุปให้ดันเอาแล้วสินะเอ า, เอา